การขับรถผิดกฎเล็กๆน้อยๆอยเพราะความจําเป็นถือว่าบาปไหมถามการขับรถถ้าเราต้องรีบและขับไปแทรกหรือแซงคันอื่นโดยเขาเต็มใจหรือไม่เต็มใจยกให้ก็ตามโดยเฉพาะอาจทำผิดกฎจราจรเล็กๆน้อยๆอยเช่นแซงซ้ายฝ่าไฟแดงมาแบบชฉวๆหรือขับเร็วเกินกำหนด อย่างนี้จัดเป็นบาปไหมตอบไม่มีเหตุจำเป็นส่วนตัวชนิดไหนได้ชื่อว่าด่วนที่สุดขนาดสมควรได้รับการอนุมัติให้สร้างความเสี่ยงแก่ผู้อื่นบนท้องถนนได้หรอครับการขับรถมุดหรือการฝ่ากฎจราจรต่างๆนั้นผมไม่เชื่อว่า จะประการการถึงที่หมายได้เร็วขึ้นตรงข้ามหากมองว่าจิตที่กำลังเร่งร้อนนั้นมีความมืดเป็นอกุศลอยู่อกุศลและจิตนั้นก็อาจมีส่วนสร้างปัใจจัยให้เกิดการถึงที่หมายช้าลงเสีย อ, อีกในการขับรถนั้นจะบาปหรือไม่บาปขึ้นอยู่กับคุณประมาทหรือระมัดระวังแค่ไหน หากใจรู้อยู่ว่ามีโอกาสสร้างความเสี่ยงให้ผู้อื่นแล้วยังขืนทำตรงนั้นเริ่มมีจิตที่เป็นอกุศลแล้วแต่หากรู้ทั้งรู้ว่าจะไม่เป็นอันตรายกับใครแน่ๆอันนั้นก็คงไม่กระไรนักยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยู่บนทางตัดที่เห็นชัดว่าไม่มีรถวิ่งอยู่เลยรอบทิศ การขับผ่านไฟแดงก็คงเป็นเรื่องไม่ถูกและไม่ผิดอย่างไรก็ตามการผ่าไฟแดงส่วนใหญ่มักนำมาซึ่งเรื่องไม่คุ้มการผ่าไฟแดงมักหมายถึงการเปิดโอกาสให้วิบากก่าประเภทไม่คิดฝันเลยว่าจะเกิดขึ้นเข้ามาเล่นงานโดยสะดวกพูดง่ายๆว่าถ้ากรรมหมายของคุณไม่เจออยู่ด้วยความประมาท วิบากเก่าก็หาจังหวะเล่นงานด้วยวิธียัดเยียดให้คุณเป็นฝ่ายผิดได้ไม่ง่ายนักผมเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งแม่นานมาแล้วก็ยังจำได้ดูเหมือนสักเกือบเที่ยงคืนถนนใกล้บ้านว่างวายเกือบหมดแล้วแต่เจอไฟแดงผมก็ยังจอดตามปกติแม้เห็นชัดๆว่า ไม่มีรถวิ่งมาจากทางขวาเลยสักคันแถมมีเพื่อนร้อมใจร่วมจอดเรียงหน้ากระดานอีกสองคันพอไฟเขียวก็ค่อยออกรถกันอย่างเรียบร้อยพวกเราเหมือนร่วมภูมิใจที่ได้รักษาวินยัยมันเป็นความรู้สึกที่ดีและเห็นตัวเองวิ่งอยู่บนทางสีขาวที่อบอุ่นและปลอดภัยเสมอครับ